นกขําชรามันมาเยือนนะเนี่ยเมื่อก่อนไม่ต้องใส่แว่นก็มองเห็นแล้นะตอนนี้ถ้าไม่ใส่แว่นก็มองใกล้ๆหน่อหลายปีข้างหน้าจะแก่กันนี่เยอะเลยเนี่ยไม่สังเวชก็อยู่ไม่ได้แล้วเนาะโยมหลายคนเมื่อก่อนเห็นนะหนุ่มกันนี้สาวกันนี้เยอะเนี่ยนะอีกสิบปีข้างหน้านี้หนักกันนี่อีกเยอะเนี่ยนะใช่ วิหารธรรมเนี่ยนะที่เป็นเหตุพระพิสูจ์สมานเณรแม้แต่เป็นปุถุชนที่สมควรแก่การกราบไหว้ลุกรับเชื้อเชิญทาอัญชลีกรรมสามีกรรมแม้กระทั่งการถวายปัจจัยสี่แก่ท่านเหล่านั้นก็เนื่องจากท่านเหล่านั้นมีวิหารธรรม วิหารธรรมก็คืออยู่ด้วยอิริยาบท4ที่เป็นไปกับสมถะและวิปัสนาคือเจริญสมถะวิปัสนาปรารบคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ว่าจะยืนเดินนั่งและนอนขณะเดียวกันท่านเหล่านั้นก็เจริญฌานทั้งหลายมีเกษินเป็นต้นท่านเหล่านั้นก็เจริญพรหมวิหารเนี่ยนะเพราะถ้าหากว่าพื้นฐานท่านเป็นคนที่เป็นราคะจริตท่านก็เจริญโดยมากก็เจริญพวกกลุ่มเกษินหรืออสุภะ ถ้ากลุ่มท่านเป็นโทสะเจริญท่านก็อยู่ด้วยพรหมวิหารที่เรียกว่าพรหมวิหารและที่สําคัญข้อปฏิบัติเหล่านั้นของท่านทั้งหมดก็เพื่ออริยวิหารเพื่อการบรร ล, ลุมรรคผลนั้นข้อที่สี่ที่พระภิกสุสัมมณี น, นแม้แต่เป็นปุตุชนควรกราบไหว้ก็เนื่องจากท่านมีวิหารธรรมมีเครื่องอยู่มีคุณธรรมสี่ประการเหล่านี้ส่วนห้า ที่ทำให้พระพิสุสามมณเณร น, น่าเคารพกราบไหว้ก็คือท่านเป็นผู้มีความสำรวมสัญมะเนี่ยนะสัญมะเนี่ยนะแปลว่าเป็นผู้ที่มีความสำรวมกายสำรวมวาจาแล้วก็สำรวมใจเนี่ยนะอย่างเช่นถ้าเราเห็นพระพิสุรูปใดไม่สำรวมกายเนี่ยนะถ้าไม่มีผ้าทรงผ้านุ่งผ้าห่มบอกเอไม่เหมือนสั ม, มณะเลยไม่เหมือนพิสุเลยอย่างเช่นเขาบอกว่าได้ยินแต่เสียงเขาพูดคุยกันเนี่ยนะ ถ้าไม่เห็นตัวเอนี่พระหรือพูดเขาว่างั้นนี่หรือพระหรือพูดนะนะหรือความคิดบางอย่างกขาบอกแม้แต่คารวาสบางคนเขาก็ยังไม่คิดเช่นนี้เลยบางท่านที่ไม่มีคุณธรรมเหล่านี้โดยปกติทั่วไปก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นคลที่ไม่สมควรแก่การกราบไหว้แต่นักบวชเหล่าใดภิกษุสามเณรรูปใดอยู่ด้วยคุณธรรมคือการ ปิดกั้นไม่ให้บาปไหลเข้ามาทางกายวาจาและใจอันนี้แหละเป็นคุณธรรมเป็นเหตุที่ทําให้ท่านเป็นผู้ควรแก่การกราบการไหว้เนี่ยนะอย่างที่6พระภิสุสั ม, มเณีท่านมีสังวรสังวรก็คือเครื่องป้องกันเครื่องปิดกั้นบาปคำว่าสังวรนี้แปลว่าเครื่องห้ามบาปเครื่องปกปิดบาปไม่ให้บาปไหลเข้ามาเหมือนกับปิดประตูบาปนั่นเอง คำว่าสังวร น, นั้นบางนัยยะก็แปลว่าเครื่องป้องกันหรือเครื่องกำจัดก็ได้นะเครื่องกำจัดความชั่วทางกายวาจาและใจคุณธรรมที่เป็นเครื่องกำจัดเนี่ยมีอยู่5ประการด้วยกันสังวร น, นะเครื่องปกปิดไม่ให้บาปไหลเข้ามาอยู่5อย่างหนึ่งพระพิสุิสั ม, มเนท่านมีศีละสังวรปิดกั้นด้วยศีลท่านมีสติสังวรในทวารหไม่ให้บาปไหลเข้ามาไม่ให้บาป ไหลเข้ามาทางกายวาจาและใจท่านมีขันติสังวรเนี่ยนะมีความอดทนในการเจริญกุศลธรรมเนี่ยนะไม่ย่อท้อไม่ท้อแท้ในการเจริญกุศลธรรมและท่านมีวิริยะสังวรคือน้อมไปมุ่งไปเพื่อกําจัดบาปอากุศลธรรมทั้งหลายมุ่งไปน้อมไปเพื่อเจริญคุณธรรมทั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็ท่านมียานะสังวรเนี่ยนะยาณสังวรก็คือปิดปิดกั้นบาปอากุศลด้วย ปัญญาไม่ว่าจะเป็นกรรมสักตาปัญญาหรือวิปัสนาปัญญาเป็นต้นที่ไม่ให้บาปไหลเข้ามาเนื่องจากว่าท่านเหล่านั้นเป็นผู้มีศีลมีสติมีญาณมีขันติมีวิริยะเป็นเครื่องปิดกั้นบาปไม่ให้ไหลเข้ามาในตาหูจมูกลิ้นกายใจ หรือกายวาจาใจและท่านกำจัดบาปอกุศลธรรมทวานกายวาจาใจหรือถวานตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้ก็เป็นเหตุให้ท่านเป็นผู้ที่น่าเคารพน่ากราบน่าไหว้หน่าลุกรับแม้กระทั่งปัจจัยสครหัสผู้เป็นพระโสดาบันเป็นต้นก็ยังใส่บาปถวายแกพระภิกษุผู้เป็นปุถุชนเป็นต้นก็เนื่องจากว่า พระพิสุทธิสมณเณรเหล่านั้นท่านปฏิบัติอยู่ในสังวรห้ามีศีลสังวรสติสังวรญานาสังวรขันติสังวรและวิริยะสังวรนั่นเองต่อไปอย่างที่7จ็เนี่ยนะเหตุที่พระพิสุทธสมณเ น, น่าเคารพกราบไหว้ก็คือเนื่องจากท่านมีขันติขันติคือความอดกลั้นเนีย่ยนะเพราะว่าเพศนักบวชเนี่ยนะอย่างสมัยก่อนเนี่ยนะเพรา ะ, ะลูก คนใดอยากจะบวชบวชแบบสมัยพุทธการเนี่ยนะหมายความว่าบวชแบบถวายชีวิตในพระศาสนาเลยเนี่ยพ่อแม่ก็จะห้ามเลยว่าลูกเอ้ยการบวชเป็นสิ่งที่ทําได้ยากนะยากยังไงยากตรงที่ว่าเมื่อบวชเข้ามาแล้วเนี่ยนะลูกอยากได้ร้อนลูกก็จะได้ยินลูกอยากได้เย็นลูกก็จะได้ร้อนนะนะแล้วก็การเป็นอยู่ก็อยู่ในป่าสถานที่สงบสงัดพรหมจรรย์ทั้งหลายทําได้ยากนะน ะ, อ, นนะอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อบุคคลเข้ามาบวชแล้วก็จะ เป็นเช่นนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วท่านก็มีความอดทนอยู่ได้นะอดทนที่จะเจริญที่จะปฏิบัติเช่นนั้นตลอดชีวิตเพราะอยากได้ร้อนก็จะไม่ได้ร้อนอย่างที่ต้องการอยากได้เย็นก็ไม่ได้เย็นอย่างที่ต้องการเนี่ยนะเพราะอย่างอย่างที่ว่าอาหารในโลกนี้บางอย่างอร่อยเฉพาะมื้อเย็นเท่านั้นเช้ามาแล้วไม่อร่อยแล้วบางอย่างก็อร่อยเฉพาะตอนบ่ายอร่อยเฉพาะตอนค่าตอนเช้าๆเป็นต้นก็ไม่อร่อยอย่างสมัยใหม่แล้วนะบวชถ้า บวชประพฤติตามธรรมมินายเนี่ยอาหารอร่อยอ่อยจะเป็นอาหารมื้อเย็นเกือบทั้งหมดเลยเนะนั้นท่านก็จะทานอาหารแต่มื้อว่างที่ที่เรียกว่ากินแบบประเภทผัดไปทีผัดไป ท, ไปทีแต่ละครั้งแต่ละครั้งฉั้นชีวิตของพระภิสุสา ม, มเณรที่ปฏิบัติชอบนั้นจึงต้องอยู่ด้วยความอดทนเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าไม่ใช่เพศที่จะต้องมาบำรุงบำรเรอเอ่อร่างกายไม่ใช่บำรุงบำรเรอรูปทั้งหลายแต่ว่ามาเจริญกุศลธรรม นั้นเมื่ออุปสรรคขัดขวางมากมายท่านก็ยังสู้อดทนเจริญปฏิบัติในกุศลธรรมอันนี้ก็เป็นเหตุให้ท่านเป็นผู้ที่น่าเคารพกราบไหว้สักการะและสรรเสริญก็เนื่องจากท่านมีขันติเนี่ยนะอดทนต่ อ, อเหตุการณ์สถานที่หลา ย, ลายอย่างแล้วก็ยังอดทนที่จะเจริญสมณะธรรมต่อไป อย่างในยุคนี้อย่างอย่างสมมุติว่าทุกยุคทุกสมัยเนี่ยนะผู้ชนทั้งหลายก็ไม่ค่อยได้สรรเสริญเรื่องของคุณธรรมอยู่แล้วก็เป็นคนที่ปฏิบัติทวนกระแสโลกคนที่ทวนกระแสโลกทวนราคะทวนโทสะทวนโมหะเนี่ยนะซึ่งไอราคะโทสะโมหะไม่ว่าจะมาจากปัจจัยภายในหรือภายนอกก็จําต้องมีความอดทนอย่างสูงมากอันนี้เป็นเหตุให้น่าเคารพกราบไหว้เนี่ยนะนะ เรียกว่าอดทนไม่กำหนัดในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดไม่เพลิดเพลินในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินไม่โกรธเคืองในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความโกรธเคืองไม่ลุ่มหลงงมงายในอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งความลุ่มหลงและงมงายทั้งหลายเนี่ยนะอันนี้แหละเป็นเหตุให้ท่านน่าเคารพกราบไหว้ต่อไปข้อที่แปดเนี่ยนะท่านเป็นผู้ที่มีโสรจะมีความสงบเสงี่ยมคําว่าสงบเงี่ยมก็คือความ อ่อนน้อมถ่อมตนท่านอยู่ในคุณธรรมที่อ่อนน้อมถ่อมตนก็ยังคิดดูง่ายๆนะสมมติว่าเด็กคนไหนนะกระโดกก็เด็กแบบโพสแบบขี้เล่นมากมายเลยนะพอจับบวชปั๊บเนี่ยนิ่งเลยนะสังเกตดูจะค่อนข้างนิ่งไม่น่าเชื่อว่าจะนิ่งได้เนี่ยนะอย่างสมมติเด็กผู้ชายเลยนะพันคนเนี่ยอยู่ร่วมกันเนี่ยนะอม่าเสียงมันจะดังขนาดไหนแต่ถ้าสมมาเนนพันรูปนั่งอยู่นเนี่เงีย สมานเณรหนุ่มเนี่ยอายุ 16, บ7กสบเจบปนี่ยนะพันรูปเนี่ยนั่งอยู่เงียบแต่ถ้าเป็นเด็กเดกธรรมดาเนี่ยประมาณสักพันกับรูปเนี่ยนะเสียงเนี่เกรี้ยไปหมดเลยเนี่ยนะเพราะอะไรนั่นะเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มีโสระจะมีความสงบส ง, ง่ยมทางกายนะสงบกายเนี่ยนะกายกรรมก็ไม่ใช่กระโดกกระเดกเป็นต้นวัจีวจีกรรมก็เงียบเึิ้มสำรวมเนี่ยนะอันนี้แหละความที่ท่าน อ, อ่นน้อมถมตนเนี่ยนะอันนี้แหละเป็นเหตุให้สมควรแก่การกราบการไหว้ข้อต่อไปท่านบอกว่าเอกัตะจริยาประพฤติในอารมณ์ที่มีความเป็นเอกคตาเอกะัตะพิรติยินดีในอารมณ์ที่เป็นเอกคตาคือหมายคำว่าพระพิสุสัมเมนนทั้งหลายเนี่ยนะท่านเป็นผู้ที่อยู่ด้วยสมถะและวิปัสนาเอกัตะจริยาเนี่ยเรียกว่าประพฤติในความเป็นอันเดียว เพรกุศลธรรมทั้งหลายชื่อว่าเอกตตะหมดเนี่ยนะกุศลธรรมทั้งหลายชื่อว่าเอกตตะความเป็นอันเดียวอกุศลเนี่ยชื่อว่าเป็นความต่างอย่างเช่นกามทั้งหลายกามฉันทะเ น, นี่ยเป็นความแตกต่างหลากหลายแต่เนคขมะเนี่ยชื่อว่าเอกตตะความเป็นหนึ่งเดียวพยาบาททั้งหลายเนี่ยมันวุ่นวายมันกระจัดกระจายวุ nel, ่นวายเรียกว่านา น, านตตะคือมันแตกต่างหลากหลายมาก แต่อัพยาบาทอโทสะนี่เป็นเอกะเอกะตะคือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวทีนะมิท่านี่ก็เป็นความหลากหลายแต่อโลกสัญญานี่ถือว่าเป็นอันเดียวทันกุศลธรรมทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเนฆ ม, มะอพยาบาทอโลกสัญญาการกําหนดธรรมญาณนะเนี่ยนะปราโมทแล้วก็อะไรนะมีเจอย่างอนะ่ะ ละกาณาฉันทะด้วยเน่ฆัมมะละพยาบาดด้วยอภยาบาดละถีนมิธาด้วยโลกสัญญาลวิจิกิจฉาด้วยการกําหนดธรรมละอารติด้วยปราโมดละอวิชาด้วยญาณทั้งหลายเนี่ยนะเอกุรสธรรมเหล่าเนี้ถือว่าเป็นอันเดียวเป็นเอกตตะความเป็นหนึ่งเดียวแม้กระทั่งละนิวรด้วยปฐมฉันปฐมฉานก็เป็นเอกตตะเนี่ยนะปฐมฉานทุติยฉา น, าานตติยฉ า, านจตุทฉานรูปประฉันอรูปประฉัน มหาวิปัสนาทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นอนิจจานุปัสนาทุกขานุปัสนาเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นภาวะที่เป็นเอกตะท่านเหล่านั้นปฏิบัติอยู่ในเอกตะคือท่านปฏิบัติอยู่ในเนคขมมะในอภยบาศในอโลกะสัญญาในการกําหนดธรรมในปราโมทในการละอวิชาหรือในความเป็นผู้มีญานะทั้งหลายประพฤติปฏิบัติในอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิปฏิบัติอยู่ใน มหาวิปัสนาทั้งหลายเนื่องจากท่านเจริญคุณธรรมเหล่านี้และท่านยินดีในคุณธรรมเหล่านี้ที่เป็นธรรมเครื่องละบาปอากุศลธรรมทั้งหลายท่านจึงเป็นบุคคลที่ควรแก่การกราบไหว้แม้แต่พระโสดาบันเครหัสธ์ผู้เป็นพระโสดาบันเนี่ยนะแม้แต่เครหัสธ์เป็นเป็นพระโสดาบันก็ยังต้องกราบไหว้ผู้ที่ปฏิบัติยินดีในคุณธรรมเช่นนี้ ส่วนข้อส1เนี่ยนะท่านบอกว่าปฏิศาลปฏิสาล า, า, านังท่านเป็นผู้มีความประพฤติหลีกเรน้นนะหลีกเร้นก็คือกลุ่มวิเวกทั้งหลายเนี่ยนะคือเนื่องจากว่ากายของท่านก็หลีกเร้นจากมูชนผู้คลุกคลีกันด้วยบาปอากุศลธรรมทั้งหลายท่านก็ยังหลีกเร้นทางใจเนี่ยนะหลีกเร้นทางใจ หลีกเร้นทางกายเพื่อพ้นจากความเกลื่อนกลนวุ่นวายหลีกเร้นทางใจเนี่ยนะจากบาปอากุโสลธรรมทั้งหลายจากอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งบาปอากุโสลธรรมทั้งหลายท่านหลีกเร้นจากอารมณ์ทั่วไปเพื่อเจริญปฐมฌานนะเพื่อให้บรรลุฌานที่ยังไม่บรรลุทั้งอารัมมณูปนิชฌานและลัคนูปนิชฌาละละ น, นาคือท่านหลีกเร้นเพื่อที่จะเจริญ ส ม, มถะวิปัสนาที่ยังไม่เจริญเพื่อรักษาส ม, มถะวิปัสนาที่เจริญได้แล้วท่านหลีกเล้นเพื่อบรรลุมรักผลหรือหลีกเล้นเพื่อเข้าพระสมาบัติทั้งหลายอันเหตุที่ท่านเหล่านั้นเนี่ยนะอยู่ในสถานที่หลีกเล้นท่านจึงน่ากราบหน้าไหว้สําหรับครหัตแม้แต่ผู้เป็นพระโสดาบันก็คืออย่างที่ว่าสมมติถ้าเราเห็นพระพิสุท์สัมมนเนยอยู่ที่ห้างกับอยู่ที่ป่าไหนจะน่าเลื่อมใส ก, กันถ้าสองรูปเนี่ยถ้าเราจะเข้าไปกราบนี่จะกราบรูปไหน พันโดยมากพระพิสุทที่น่ากราบไหว้ก็คือผู้ที่หลีเกเ้่นทั้งหลายจึงคู่ควรแก่การกราบคู่ควรแก่การไหว้ทั้งหลายโดยเฉพาะสมัยนั้นไม่มีห้างแบบสมัยนี้ก็เลยเหตุอันหนึ่งที่ทำให้น่ากราบไหว้นะนี่ต่อไปคุณธรรมที่สิบสองเนี่ยนะที่พระพิสุสมัมณเณรน่ากราบไหว้ก็คือท่านมิฮิริอตตปปะ หิริโอต ป, ปะก็คือฮิรินี่แปลว่าเกรงใจตัวเองฮิรินี่แปลว่าละอายที่จะทำชั่วโดยปรารพตัวเองเป็นหลักพวกฮิรินะพวกนี้อัตตาทิปไตยโอตปานี่พวกโลกาทิปไตยเนี่ยนะเช่นพวกฮิริก็คือละอายใจที่จะทำความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจท่านทำชั่วได้ยังไงทันอะไรนะเสียความรู้สึกหมดที่จะทำชั่วแบบนั้นเกรงใจตัวเอง ที่จะทําชั่วเรียกว่ามีหิริเอาเราทําชั่วอย่างนี้ได้ยังไงเราทําแล้วเราจะสบายใจไหมเราทําเราจะมีความสุขไหมเราจะตําหนิตัวเองใช่ไหมเป็นต้นเนี่ยนะใครที่ปรารบลักษณะนี้ปรารบตัวเองเป็นหลักแล้วไม่ทําความชั่วอันนี้เรียกว่ามีหิริไอ้คนอย่างเราเนี่ยไปทําชั่วอย่างนั้นได้ยังไงอันนี้ลักษณะของหิรินะไม่ใช่มานะคนเช่นเราเนี่ยทาชั่วย่างนั้นได้ยังไงเราทําไม่ได้เนี่ยนะเรียกว่าคนมีหิริ บอกโอ้ทำชั่วได้ยังไงเนี่ยเดี๋ยวพระพุทธเจ้าท่านท่านจะคิดยังไงเอาสิเราเกรงใจพระพุทธเจ้าบ้างไหมที่จะทําความชั่วแบบนี้ความนึกคิดลักษณะนั้นเป็นโอตตปะเนี่ยนะเป็นโอตตปะเกรงใจตัวเองเป็นหิริเกรงใจพระพุทธเจ้าเกรงใจพระรัตนตรัยเป็นโอตตปะที่จะทําชั่วทางกายวาจาและใจเนี่ยนะแล้วก็ไม่ยอมละเมิดความชั่วทางกายวาจา วาจาใจรักษาคุณธรรมเจริญกุศลธรรมทางกายวาจาใจเพราะคารพตัวเองอย่างเช่นบอกว่าถ้าเราทําอกุศลนะเราต้องลําบากใจแน่เลยเราจะต้องวิปัิสาว่ถ้าเราทําอกุศลครั้งเนี้มันมีผลต่อชีวิตของเราต่อไปอย่างไรใครจะเดือดร้อนแทนเราใครจะลําบากใจแทนเราสิ่งเหล่านี้เรารับทั้งหมดเลยนะอันนี้แหละลักษณะของโอตตะะเออข้อพะฮีริถ้าต่อไปนะนี่ถ้าเราทําแต่ความชั่วยอย่างนี้เราจะกล้าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าหรือ เนี่ยเราจะฟังทำได้อย่างมีความสุขหรือเป็นต้นเนี่ยแล้วเขาก็เวลาคําสอนก็สอนว่าแต่เราว่าแต่เราเป็นต้นกลัวจะถูกว่าก็เลยไม่ยอมทําชั่วก็เลยเรียกว่ามีโอตตะ ป, ปะฮิริโอตตะ ป, ปะอันนี้แหละเป็นเหตุให้ประพฤติดีด้วยกายประพฤติดีด้วยวาจาประพฤติดีด้วยใจคนที่สังวรรักษาคุณงามความดีทางกายวาจาใจก็เนื่องจากมีหิริและมีโอตตะปะเนี่ยนะ ก็เลยปิดกั้นความชั่วทางกายวาจาใจไปได้ฉะนั้นคนที่มีฮิริโอตตะปะคนที่ละอายต่อความชั่วเกรงกลัวต่อความชั่วเพราะเคารพตนเคารพตนก็ตามาเคารพผู้มีคุณทั้งหลายก็ตามแล้วไม่ยอมทําชั่วคนเหล่านี้เป็นคนที่มีฮิริโอตตะปะคนที่มีฮิริโอตตะปะเป็นคนที่น่า เกรงขามสมมติอย่างบ้านไหนที่มีเด็กๆลูกๆหลายๆคนเนี่ยบางคนไม่ทําชั่วเพราะเกรงใจตัวเองบ้างเกรงใจพ่อแม่บ้างเด็กคนนั้นเนี่ยน่าเคารพนะถึงเขาจะเป็นเด็กก็ตามแต่เป็นคนที่น่าเคารพเพราะเขาไม่ทําชั่วเพราะเขาสามารถคิดถึงอะไรคิดถึงตัวเขาเองคิดถึงวัฒนธรรมประเพณีคิดถึงพ่อคิดถึงแม่เป็นต้นแล้วไม่ยอมทําความชั่วเด็กคนนั้นเนี่ยน่าเคารพถึงเขาเป็นเด็กก็ยังน่า เคารพฉันใดพระพิสุสั ม, มนเณรผู้มีหิริโอตตา ป, ปะละอายต่อความชั่วทางกายวาจาใจที่จะทําหรือเกรงกลัวต่อความชั่วทางกายวาจาใจที่จะทำเนี่ยนะอาจะด้วยปรารภตนก็ตามปรารภผู้อื่นก็ตามแล้วไม่ยอมทําความชั่วบุคคลนั้นน่าเคารพน่ากราบไหวเพราะนั้นพระพิสุสั ม, มนเณรผู้มีหิริโอตตา ป, ปะพระโสดาบันบุคคลทั้งหลายยังต้องกราบไหวเนี่ยนะ ก็ต่อไปเอก13บอกว่าวิริยะเนี่ยนะพระพิสุทธสมณเณรทั้งหลายที่น่ากราบไหวเนื่องจากว่าท่านเป็นผู้ที่ปรารบความเพียรหรือเป็นผู้ที่มีความเพียรความเพียรเนี่ยคำว่าขยันความเพียรที่แปลว่าขยันหรือกล้าเนี่ยนะอย่างเช่นวีรกรรมเนี่ยนะวีรกรรมก็มาจากว่าผู้มีวิริยะก็คือพวกวีรกรรมวีรกรรมแปลว่าการงานที่ทําด้วยความกล้าที่แล้วสร้างวีรกรรมเนี่ยนะ ทำอะไรด้วยความกล้าความกล้าในในพระศาสนาเราเนี่ยกล้าละบาปและกล้าเจริญบุญเรียกว่ากล้าแท้จริงอันน้นไอ้กล้ายังอื่นกล้าทําให้คนอื่นยอมยอมรับอไม่ใช่ความกล้าณที่นี้อันนั้นแล้วเพื่อสร้างความประทับใจแก่คนอื่นไม่ใช่ความกล้าในที่นี้ความกล้าในที่นี้เน้นเพียงป้องกันบาปอกุศลธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดขึ้นไม่ให้โอกาสแก่บาปอกุศลธรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นเขาเรียกว่าสังวรประทานปิดกั้นเลยนะปิด เรียกว่าล้อมรั้วไม่ให้บาปไหลเข้ามาเทมานี่นะอันนี้อันดับที่หนึ่งอันดับที่สองก็บอกว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นผู้ที่เพียรละอกุสโณธรธรมที่เกิดขึ้นแล้วนี่นะเพียรละอกุสโธรธรมที่เกิดขึ้นแล้วหมายคือว่าเช่นอักุศลวิตกที่มันเกิดขึ้นเน่ยแวบหนึ่งนะจิตตุ บ, บา ท, ที่เป็นอักุศโณเกิดขึ้นนิดหนึ่งท่านก็กําจัดได้การที่น้อมไปเพื่อกําจัดจิตตุ บ, บา ท, ที่เป็นอกุศล อันนั้นแหละก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความเพียรอย่างบางพระพิสูตในในพระไตรปิฎกที่ท่านยกย่องไว้ว่าใครที่ปล่อยให้อกุศลเกิดเป็นชาวนะหนึ่งสอสาชาวนะเนี่ยพวกนี้เรียกพวกความรู้สึดช้าเขาว่างั้นพวกนี้ถือว่าสติเกิดช้ามากปล่อยให้อกุศลเกิดได้ยังไงทั้งหลายชาวนะแต่ถ้าเกิดได้ให้อกุศลเกิดได้หนึ่งชาวนะถือว่าก็ปานกลางเรียกว่ามีสติเร็วพอสมควรแต่ว่าระดับกลาง แต่ถ้าถึงเก่งเรียกว่าคิดอย่างนี้อกุศลต้องตามมาตามมาแน่นอนเลี่ยงไม่ให้คิดเป็นอกุศลนั่นแหละเรียกว่าอันนี้ชั้นเยี่ยมตัดเส้นทางแห่งอกุศลคือคือเราเราใครที่ที่เป็นนักแยกแยะมากๆเนี่ยนะคิดอย่างนี้ปะอกุศลต้องตามมาเลยก่อนที่จะคิดแบบนั้นคิดเรื่องอื่นสักก่อนเนี่ยนะไม่เปิดโอกาสให้อย่างนี้ค้าคนมีสติเร็วมากเลยนะ น, นี่อารมณ์ชนิดนี้เป็นที่ตั้งแห่งราคะนะเลี่ยงปะ อันนี้อารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งโทสะอันนี้เป็นอารมณ์เป็นที่ตั้งแห่งโมหะเลี่ยงก่อนที่มันจะเกิดขึ้นได้อย่างนี้เครียกว่าคนมีสติเยี่ยมแต่ถ้าบอกปล่อยให้มันเกิดไปหนึ่งชาวนะแล้วหลีกเลี่ยงได้ภายในหนึ่งชาวนะอันนี้เครียกพวกปานกลางสติเกิดระดับกลางๆแต่ถ้าสองสามชาวนะไปแล้วเนี่ยพวกนิชช้อถ้าเป็นชั่วโมงชั่วโมงล่ะ ไม่รู้จะชา่ายังไงอีกแล้วมันช้าเหลือเกินเนียนะบ้านถูกไฟไหม้อู้ไม่รู้ไปเรียกรถดับเพลิงมาไกลแสนไกลกว่าจะดับสําเร็จไหม้ไปสามสี่หลังเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็นนั้นเรียกว่าปู้ชามากแทบแท บ, บ, บถึงขนาดเป็นนาทีไปแล้วนะถ้เป็นนาทีเป็นชั่วโมงนี่ท่านบอกโอ้โช้าจริงๆปกติแล้วก็สองสามชาวนะท่านก็เรียกว่าช้าแล้วในทางธรรมะมันท่านเพียรละอากุศล ว, วิตกเหล่านั้นได้เช่น การมวิตกพยาบาทวิตกและวิหิงสาวิตกการที่เพียรกำจัดอกุศลวิตกเหล่านั้นเรียกว่าเพียรละอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วต่อไปท่านเป็นผู้ที่มีความเพียรในการทากุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเพียรทํากุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นเช่นกุศลศีลเหล่าใดที่ยังไม่เกิด ก็ปรารบให้เกิดขึ้นกุศลสมถะเหล่าใดเช่นพรหมวิหารใดที่ยังไม่เกิดยังไม่เจริญก็เจริญขึ้นกสินเหล่าใดาที่ยังไม่เจริญก็น้อมมาเจริญขึ้นอนุสติเหล่าใดาที่ยังไม่เจริญก็น้อมไปเพื่อเจริญขึ้น หรือแม้กระทั่งอสุภะเหล่าใดที่ยังไม่เจริญก็เจริญขึ้นวิปัสสนาการพิจารณาขันธาอัจฉริยะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุบาตเหล่าใดที่ยังไม่เจริญเนี่ยนะคือสรุปว่าทั้งศีลทั้งสมถวิปัสสนาเหล่าใดที่ยังไม่เจริญก็เจริญขึ้นที่เจริญขึ้นแล้วก็ปกปักรักษา น, นะไม่ให้มีการหลงลืมให้ตั้งมั่นแล้วก็เพยโยภาวายะยิ่งยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะคือหมายความว่าไม่สันโดษบางอย่างมาเกิดแค่ครั้งเดียวพอ พวกนี้ปรารกุศลธรรมเนี่ยนะไม่ใช่ขอขอเกิดแค่ครั้งเดียวไม่ยอมให้กุศลธรรมเกิดแค่ครั้งเดียวให้กุศลธรรมเนี่ยเกิดหลายๆครั้งนั่นเองเนี่ยนะนคำว่ากุศลธรรมท่านบอกว่าหมายถึงนิวรณ์ส่วนกุศลธรรมคือวิปัสนาและมรรคพระพิสุทธิสมนเน็ทที่เป็นบุคคลที่น่าเคารพน่ากราบน่าไหว้ น่าลุกครับน่าเชื่อเชิญน่าทําอัญชลีกรรมสามีกรรมก็เนื่องจากท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่เจริญมีความเพียรเนี่ยนะมีความเพียรในสัมมประธานสี่เนี่ยนะทั้งสังวรประธานปหานาประธานภาวนาประธานและอนุรักษณาประธานอันนี้เป็นเหตุให้หน้ากราบหน้าไหวเพียรเพื่อละอกุศลเนี่ยนะก็คือเพียรเพื่อกําจัดความเศ่าหมองทั้งหลายอย่างกิเลสเนี่ยนะกิเลสเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเครื่อง เศร้าหมองเป็นความเศร้าหมองเลยนะเรียกว่าปฏิบัตเพื่อขจัดความเศร้าหมองยิงคำว่ากิเลสนี่ฟังแล้วไม่น่าละเลยนะก็เรามันปุตชนกิเลสเกิดขึ้นมันก็ธรรมดาใช่หมแต่ถ้าบอกว่ากิเลสนี่คือความเศร้าหมองความหม่นหมองความโศกความเศร้าความเร่าร้อนความลำบากความกวนกวายเรว่าอักเสบทางความคิดเนี่ยนะถ้าอย่างนี้รักษาไปไหม ปล่อยให้ใจอักเสบบ่อยๆไหมดีไหมไอ้คือคือความเศร้าหมองแปลว่าอักเสบทางความคิดนั่นเองจิตใจที่อักเสบเดือดร้อนกวนกวายนั้นสมควรแก่การกําจัดอย่างยิ่งเพราะว่าใจเศร้าหมองก็เพราะว่าบาปอากุศลเนี่ยที่เข้ามาแทรกที่เปรียบเหมือนกับเชื้อโรคมันทําให้เหมือนกับเป็นไวรัสชนิดหนึ่งที่ลงและสร้างแต่ความเสียหายให้แก่ความคิดทั้นทํายังไงที่จะปกปักคุ้มครองไม่ให้บาปอากุศลไหลเข้ามาในทวาวรทั้ง6 แล้วก็ถ้าบาปอากุศลมันประทุขึ้นในใจด้วยอํานาจอากุศลวิตกที่สะสมมาเนิ่นนานคิดอย่างไรพิจารณาอย่างไรพิจารณาอย่างไรจึงกําจัดตัดอกุศลวิตกเหล่านั้นออกไปได้แล้วก็กุศลธรรมเหล่าใดที่ยังไม่เกิดทําำไนะจะเกิดนั้นภาวนาประธานเนี่ยนะเหมือนกับว่าการสมาทานตั้งไว้เพื่อว่าจะเจริญกุศลธรรมเหล่าใดบัางเขาเคยก็เอามาคิดไม่ว่างว่ากุศลเนี่ยนะที่เราจะเจริญมีอะไรบ้าง มาไล่เลยหศีลเหล่าไหนที่เราต้องเจริญบ้าง1ศีลข้อที่1234งี่นี่คือคุณธรรมที่เราต้องทําให้มีขึ้นที่เราต้องเจริญขึ้นทําให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปนะสมถะเช่นพรหมวิหารทั้งหลายนี้คือคุณธรรมที่เราต้องเจริญต้องทําให้มีขึ้นต้องปกปัก ร, รักษาให้เจริญเจริญขึ้นไปนะหรืออนุสติทั้งหลายคือสิ่งที่เราจะต้องเจริญเรียกว่าไล่ปรารบเพื่อจะเจริญเลยอย่างเช่นยกาพาเวตารธรรมมากล่าวก็ได้ ว่าเราต้องเจริญทำหนึ่งที่ควรเจริญคือกายยะคตาสติที่สหรคตด้วยความสําราญนะทำสองที่เราต้องเจริญคือสมะถะวิปัสนาทำสามคือที่เราต้องเจริญคือสมาธิสามสมาธิที่มีวิตกวิจารสมา ธ, ท ảo, มมามาธิที่ไม่มีวิตกมีแต่วิจารหรือสมาธิที่ไม่มีวิตกไม่มีวิจารเราต้องเจริญสติปัฏฐานสี่พิจารณากายเวทนาจิตทำต้องเจริญสมาธิมีองค์ห้าเนี่ยนะสมาธิมีองค์ห้า ปิติพรรณนาสุขพรรณนาเป็นต้นหรืออนุสติหคือสิ่งที่เราต้องเจริญโพชชงเจ็คือสิ่งที่เราต้องเจริญอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปดคือสิ่งที่เราต้องเจริญความเพียรอันเป็นองค์ที่ตั้งแห่งความบริสุทธิ์เก้าเป็นสิ่งที่ควรเจริญหรือกสินสิบเป็นคุณธรรมที่ต้องเจริญก็ปราลบปราลบคุณธรรมทั้งหลายคือศีนสมถาวิปัสสนานั่นแหละกล่าวโดยสรุปคือสิ่งที่จะต้อง จเจริญการน้อมไปเพื่อปรารบคุณธรรมปรารบกุศลธรรมเหล่านี้ก็เรียกว่าจเจริญในธรรมที่ควรควรจเจริญเนี่ยนะก็เป็นภาวนาประทานในชั้นแรกสําคัญที่สุดก็คือตั้งไว้เพื่อการจเจริญก่อนนะตั้งไว้ว่าเราจักเจริญ น, นะตั้งไว้ว่าเราจักเจริญแต่ถ้าไม่มีการตั้งเอาไว้ก่อนเนี่ยนะยากที่จ ะ, จะเจริญะ พันอธิษฐานบารามีเนี่ยนะจะต้องมีบ่อยๆ อ, อธิษฐานกุศลธรรมอย่างถ้าใครศึกษาเจริยาปิฎกเป็นต้นเนี่ยจะรู้ว่าท่านเหล่านั้นท่านอธิษฐานแล้วนะท่านจงเจริญอย่างเช่นอุโบสถเนี่ยถ้าไม่อธิษฐานก่อนจะรักษาไหมยากทุกคุณธรรมแม้แต่ศีลยังต้องอธิษฐานและสมถะต้องอธิษฐานก่อนไหมอธิษฐานที่จะประพฤติเมตตาอธิษฐานที่จะประพฤติอนุสติอธิษฐานคือปรารบตั้งไว้เลยว่าจะต้องเจริญ คุณธรรมเหล่านี้เหล่านี้แม้แต่วิปัสนาทั้งหลายก็ต้องมีการอธิษฐานมีการสมาทานที่จะประพฤติคุณธรรมเหล่านั้นเนี่ยนะพันธ์อันนี้แหละเป็นกลุ่มภาวนาประทานนั้นคําว่าภาวนาไม่ใช่เอามานั่งท่องอท่องก็ไม่ได้ผิดอะไรนะเขไม่ได้ผิดทั้งหมดแต่ว่าก็ยังไม่พอเป็นแค่เบื้องต้นเท่านั้นก็ปรารถนะก็ภาวนาประทานเพียรเพื่อเจริญคุณธรรมแล้วก็เพียรเพื่อรักษาคุณธรรมเพิ่มคุณธรมณธรมเรมียกว่า กุศลที่ยังไม่เจริญก็ตั้งไว้เพื่อให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปจุดที่เจริญได้แล้วก็อย่าให้เสื่อมเนี่ยนะมีการอย่างในทางโลกเขาบอกว่าตระกูลเหล่าใดที่ร่ำรวยมีโภคะก็หนึ่งมีการบูรณะซ่อมแซมสิ่งของเก่าๆก็แปลว่ามีการรักษาของเก่าได้เป็นอย่างดีและหาของใหม่ๆมาเพิ่มอยู่ตลอดเวลาตระกูลนั้นตระกูลที่เจริญโดยส่วนเดียวก็บอกว่าฉันใดในทางกุศลธรรมก็เหมือนกัน เมื่อมีการเจริญกุศลธรรมใหม่ๆกุศลธรรมที่เจริญได้แล้วก็รักษาเอาไว้แล้วก็เจริญใหม่ๆไปเรื่อยๆเนี่ยนะอย่างคนที่ทรงพระไตรปิฎกจำพระไตรปิฎกได้คือกลุ่มไหนก็คือกลุ่มที่ท่องของใหม่ๆไปเรื่อยๆและของเก่าไม่ลืมรักษาของเก่าไว้เป็นอย่างดีรักษาเพิ่มของใหม่ๆในที่สุดก็เป็นปิฎกสามไม่ใช่ได้ข้างหน้าลืมข้างหลังเพราะไม่เคยทวนถ้าอย่างนี้ก็น ะ, นะพระไตรอะไรนะขาซับแข็งแต่ว่ารักษาไม่ได้นะนะ เนหากรกาทรัพย์คือสุตตะได้แต่ว่ารักษาทรัพย์คือสุตตะไม่ได้ตัวอีกครั้งหนึ่งนะเหตุที่ทำให้พระพิโสสัมมณ น, นแม้ปุตุชนก็ควรแก่การกราบไหว้ของพระโสดาบันเนี่ยนะที่เป็นเครือข่าก็เพราะว่าท่านเป็นผู้ที่มี สัมมาประธานมีวิริยะมีความเพียรนั่นเอง